ห้ามใจแล้วจะได้อะไรห้ามใจไม่ตามเพื่อนไปตกปลาแล้วได้อะไรไม่่วยโอกาสโกงแล้วได้อะไรไม่ถล้ำไปรักคนที่ไม่ควรรักแล้วได้อะไรไม่โกหกเอาตัวรอดแล้วได้อะไรไม่กินเหล้าคลาวยาบ้าแล้วได้อะไรสัมมาธิแบบพุทธต้องเข้าใจเหตุผลของการรักษาศีลว่า เป็นไปเพื่อความไม่เดือดเนื้อร้อนใจทั้งวันนี้ชาตินี้และ ว, วันหน้าชาติหน้าตลอดจนเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยว่าศีลเป็นเหตุให้เกิดสมาธิง่ายเห็นตามจริงได้เดินทางสู่ความพ้นทุกขจากการยึดเยื่อล่อให้เป็นทุกข์ได้ในขณะที่การตามใจตัวเองได้กระยิมยิ้มย่องเดียวเดียวแต่ต้องตามแก้ตามล้างตามเช็ดกันยืดเยื้อเท่าใด ไม่อาจพยากรห้ามใจได้จะได้ใจที่สบายห้ามใจล้มเหลวจะล้มเหลวทั้งความสุขคนที่ศีลขาดเป็นประจำจะมีความฟุ้งซ่านห่อหุ้มจิตหนาแน่นความเห็นไม่สามารถตั้งให้ตรงจะมีอาการบิดเบี้ยวโอกาสเคลียร์ให้ผ่องใสเพียงพอที่จิตจะตรงแนวทำสมาธิจะโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนิ่ ง, งดีด เป็นเรื่องยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยแต่ศีลก็เป็นของกลับมาต่อได้สมบูรณ์ได้ดังเช่นท่านองคุลีมานแม้มือเปื้อนเลือดฆ่าคนเกิดครบพันด้วยความหลงผิดอยากได้วิชาดีภายหลังพบพระพุทธเจ้ากลักใจบวชเจริญสติอย่างถูกต้องท่านก็สามารถเห็นความไม่เที่ยงรู้ว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนบรรลุธรรมขั้นสูงสุด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 ศีลคือเหตุแห่งสุขยังไม่ใช่ผู้เที่ยงที่จะรู้แจ้งซึ่งอา น, นิสงแห่งศีลแต่ถ้าเต็มใจสบายอกไม่ฟืดฝืนเลยคุณจะรู้สึกถึงออร่าแห่งการเป็นคนถือศีลรู้สึกผ่องแผ้วน้อยผ่องแผ้วมากผ่องแผ้วบริบูรณ์มั่นใจอยู่ในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องถามใครว่าความสุขจากการถือศีล น, นั้นแสนดีขนาดไหน ห้ามใจแล้วล้มเหลวใจคุณจะอ่อนแอปวกเปียกห้ามใจแล้วกลับไปกลับมาใจคุณจะขัดแย้งโอล้วนห้ามใจสมเร็จลับลืมใจคุณจะเข้มแข็งมากมาย